สิกขาบทที่12ว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาทุกๆปีเรื่องภิกษุณีหลายรูป1170สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สิกขามานาทุกๆปีที่อยู่จึงไม่เพียงพอคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่า ชไนพวกภิกษุณีบวชให้สิทธามาณาทุกๆปีทําให้ที่อยู่ไม่เพียงพอเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉไนพวกภิกษุณีบวชให้สิทธามาณาทุกๆปีเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้